ธำบัดสวดมนต์นี่จาเป็นนะรากไม้ต้องท่องไม่ได้นะท่องไม่ได้นี่เวลาสวดต้องเอาเทียนเปจุดสวดนะพวกเราไม่เอาจริงนอยจังเนะี่ยเราบอกแล้วก็ไม่ได้ท่นี่ยหรือสวดกันได้หมดตรรมดเช้าก็เหมือนกันวัดเย็นก็เหมือนกันถ้า ท่องไม่ได้เนี่ยเอาหนังสือมาว่าสวดเทียนไม่จุดสวดเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นไปหมดแล้วเนี่ยตอนเช้าก็เหมือนกันตอนเย็นก็นเหมือนกันเนี่ยวันไหนที่เราไปชุมเนี่ยธรรมะเชา้าธรรมะเย็นต้องสนใจามาดูหนังสือมาดูนะไม่ใช่อยู่หมดเวลาไปวันๆห น, นึ่งไม่เกิดประโยชน์อะ ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะต้องกุลีกุจอถือว่าเป็นงานของใครของเรานะบางคนทำมาอยู่โมกโมกมาอยู่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนะี่ยไม่เกิดประโยชน์นะสาวเสียสละออกมาบวชเนะี่ยไม่ตั้งใจขนขไยในหน้าที่ตามตามความจําเป็นเนะี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะ กม็มีคนน ม, คนมก็มีเอาไปท่องเอาไปท่องเอาไปดูกันเสร็จแล้วก็วันที่สะายวันที่สิบแปดสิบเก้าั็ปฏิโมกนะต้องแสดงอบัตต้องไปท่องคำแสดงอบัตให้ได้เ <c oughs> พืที่จะมาแสดงอบัตจากนั้นแล้วหนังสือวินัยก็ต้องเอามาดูด้วย บวชมากี่วันแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งมารู้จักวินัยสักข้อไหมวินัยต้องเอามาดูหนังสือวินยัยวินยอยงมุกเล่มหนึ่งเล่มสองต้องเอามาดูม า, ม า, ม, ามาเป็นคู่มือมาดูไม่งั้นเราจะได้อะไรเป็นข้อปฏิบัติมันเป็นหน้าที่ของเรานะ เราเคยอยู่เป็นครววาดเราขยันห้าสิบเปอร์เซ็นตเราบวชเป็นพระมานั่นต้องขยันเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ใช่เรามาหลบหลบอยู่นะ้วใหมันได้ประโยชน์อะไรมันไม่ได้นอกจากไม่ได้แล้วมันยังจะมีโทษอีกนะถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมตามมารวิเน่เนี่ยทําไมตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามาวิเน่ยอยู่ด้วยโทษนะ เพรความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราอยู่เนื่องด้วยผู้อื่นอาหารเลยต้องบินทบาทเวลาเราไปบินทบาทเราดูที่เขาจอบใส่หัวะนะี่ยยกใส่หวะนะัวน่ะอธิษฐานอะไรอะไรนะ่ะเราต้องมีความดีพอกับทยธรรมของเขากับอาหารที่เขาใส่บาตรนั่นอาหารบินทบาทเลี้ยงชีพเป็นหน้าที่ อายก็ไม่ได้ขี้เกียจก็ไม่ได้ต้องไปบินถือว่าเป็นหน้าที่เราคิดอย่างเดียวว่าเออนี่คือหน้าที่เราต้องทําเป็นหน้าที่ของเราเป็นกิจวัตรของเราเราต้องไปบินทาบายเกิดประโยชน์กับตนเองด้วยเกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยที่เขาเสียสละมาใส่บาตเราเนี่ย <c oughs> มีใครบ้างเสียสละใส่บาตให้เรา แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเชา้าแต่ละเช้าเนี่ยอาหารจากข้างนอกอาหารบิณฑบาตกับแกงตา ม, มาอีกเป็ถุงเป็นหมกเป็นหอ่อต้องมีอาหารเพิ่มต้องมีต้องครัวต้องทำครัวเพิ่มอีก สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารเป็นเครื่องอยู่สัตว์ทั้งหลายนะี่อยู่ได้ด้วยอาหารนี่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราทําการที่เราได้รับอาหารง่ายๆสะดวกสบายนี่เนื่องจากว่ามันมีสิ่งแรกเปลี่ยนกันพราะหน้าที่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ศึกษาพระพุทธปฏิบัติตามธรรมตามวิ น, นัย เราปฏิบัติพระวินัยเป็นพื้นเป็นภาพพื้นศีลเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์การที่เราบวชมาหอมนุ่เงเหลืองหอมเหลืองเป็นพรหมจรรย์แม้แต่ศีลแปดที่เขาถือศีลนุบโสดโดยศีลแปดที่ไม่ชีเขาบวชโดยก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ศีลนี่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าบวชมาแล้วไม่ไมรักษาศีลเนี่ย มนรู้เงต้นจะอยู่ตรงไหนไม่รู้นอกจากไม่รักษาแล้วจะมาคอยะทํทำลายสินอีกมันไม่ได้บุญมันจะได้แต่บาปผาพได้กรรมกลับบ้านเราไม่ต้องทำมากินอย่างอื่นเหมือนฆราวาสเขาอาหารสําเร็จสุกสําเร็จในบาทในายชนะที่เรารับ อาหารสุกสําเร็จมาแต่เราต้องมีข้อแรกเปลี่ยนคือเราต้องมีความดีพอนอกจากนั้นแล้วการบริโภคทั้งให้พิจรารณาอีกต่างหากแต่ใครไม่พิจรารณาเนี่ยคนนั้นถือว่าเป็นหนี้พิจารณาอย่างไงพิจารณาว่าอาหารทั้งหมดนี้เราจะบริโภคเพื่อไม่บำรุงกิเลสตัณหาอาสวะ จะบริโภคเพื่อให้มีกำลังวังชาเพื่อให้ได้ศึกษาทำให้ได้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติชำระขัดเกลากิเลสออกจากหัวใจนี่ทำทําให้พิจรารณาทําให้พิจารณาทีว่าเป็นนี่อีนอก บ, บริโภคอีนอก บ, บริโภคเราบริโภคด้วยความเป็นนี้เราจะบริโภคอาหารก็ตามพ้านุมพ้าห่มก็ตาม กุติกุตังที่เราอยู่อาศัยก็ตามยารักษาโรคก็ตามที่จะเรียกว่าปัจจัยสี่ลูกพรเจ้าท่านทรงอนุญาตให้กับผู้ตั้งใจรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นธรรมทานญาติจะร่ำรอยตามพระองค์แต่ผู้ที่ไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นความเป็นธรรมทานญาติไม่มีสิทธิ เพราะฉะนั้นเราฉันไปแล้วเราไม่ได้ทำตามที่ท่านบอกเนะ่ยเราจึงเป็นนี่ถ้าหากเราไม่ไม่ดูข้อสิกขาบทวินัยได้แล้วผิดศีลข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นสังคาทิเศตรยิติปฏิเทศนิยะนิสกิยปยิติสามสิบปฏิติเก้าสิบสองเนี่ยข้อใดข้อหนึ่ง รวมไปถึงสิพระบทนอกปฏิโมกต้องอาบัตทุกกฏแต่ละข้อแต่ละข้อต้องอาบัตทุกกฏเราต้องอาบัตเราต้องอาบัตผู้ที่ต้องอาบัตเนี่ยถ้าเราไม่เห็นอาบัตของตัวเองหรือเห็นอาบัตแล้วแต่ไม่ยอมแสดงอาบัตของตัวเองเนี่ยบริโภคปัจจัยสี่ท่านถือว่าเทยบบริโภค บริโภคโดยความเป็นขโมยน่น่ากลัวนะบริโภคโดยความเป็นขโมยขโมยบริโภคอันนี้ท่านท่านพูดเอาไว้นะอีนอะบริโภคบริโภคโดยความเป็นนี่คือบริโภคโดยไม่พิจารณาการพิจารณาก็ทําทประโยชน์ให้เกิดขึ้นคือมีสติมีสัมผัสัญญะเกื้อกูลกับการภาวนาทําจิตให้ได้รับความสงบทำทำจิตให้ฉลาดให้รู้รอบครอบ เกิดสติเกิดปัญญารู้เท่าทันกิเลส ข, ขาดสติบริโภคโดยการขาดสติบริโภคโดยความเป็นขโมยก็คือผู้ต้องอาบัติอะไะต้องอาบัติข้อไหนก็ตามเถอะแต่ละข้อแต่ละข้ อ, ขอนั้นนะผิดศีลข้อหนึ่งข้อสองก็แล้วแต่ข้อไหนก็แล้วแต่เราจะทําผิดเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราผิดถ้าเราไม่ดูไม่ศึกษาเราต้องดูต้องเอาสื่อมาดู สีสองอยิบเกดไปดูมีสีขาบทอะไรบ้างสีขาบทหลักๆใหญ่ๆต้องเข้าแล้วขาดจากความเป็นพระปาราชิกสีไปดูพิสุเสภเมธุนต้องปารารชิกรับของเขาได้ราคาห้ามาศกต้องปารารชิกอวดพูดอวดอุตริมนุษยธรรมต้องอบัตรปารารชิกฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอบัตรปารารชิกสีขาบททัง้งสี่ข้อนี้ข้อใดข้อหนึ่ง พิสุไปทําเข้าพิสุขาดจากความเป็นภิกษุมีเป็นอาบัติหนักที่แก้ไขไม่ได้เป็นอาบัติประเภทอเตกชา้าแก้ไขไม่ได้นาวาเสสะเป็นอาบัติที่ไม่มีส่วนเหลืออสังวาสเป็นอาบัติที่ไม่มีสังบาตกับภิกษุแม้นุ่งเรื่องหอมเหลืองอยู่ด้วยกันก็ไม่มีสัมบาติ หมดภาวะความเป็นพิสุทหมดสภาพความเป็นพิสุทอันนี้ต้องรู้เข้าไว้นะทาไมดูเอาไว้นี่เราอาจจะต้องอาบัตแม้แต่ภรรารชิกสี่โดยที่เราไม่รู้ไม่สมบรวมไม่ระ ม, มัดระวังมันเคยมีมาแล้วแหละผู้ที่บวชมาสองปีสามปีไม่ศึกษา เอาแต่ภาวนาเอาแตภาวนาการภาวนาด้วยการดูธรรมะดูวิไนาตามไปด้วยเป็นหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูไม่ใช่บวชมาไม่ใช่บวชมาแล้วก็ไม่มีงานมีการอะไรอยู่แบบว่างเปล่าสบายตามใจฉันไม่ใช่ยิ่งสบายตามใจเราไปเท่าไหร่อืมบาปกรรมก็ยิ่งหนาเจ็บมาทับถมหัวใจของเรานะี่ย หนักมากๆเข้าจนงอหัวไม่ขึ้นมันหนักมากเพราะกรรมมันทับแต่ถ้าเราทาําข้อวัดปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ทําให้เราได้บุญเพิ่มทำให้สติเราดีปัญญาเราดีบุญเราเพิ่มจิตใจเราปลอ ด, ปลอดโปร่งเบาสบายอบอุ่นมีที่หวังมีที่พึ่งเราจะต้องทําประกอบเข้าไปไม่ใช่ามาแล้วอยู่สุขสบายเฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้ว ไ, ได้โทษเข้าไปอีก พวกเราต้องบริโภคปัจจัยสี่ประเภทธรรมทายาทบริโภคบริโภคเพื่อความเป็นธรรมทายาทสืบทอดพระธรรมวินัยของพระศาสดาเหมาะสมกับการถือเพีเป็นผ้าเหลืองนุ่งเหลืองผอมเหลืองคนหัวคนคิ้วนุ่งเหลืองผอมเหลืองใช่สอยปัจจัยทั้งสี่จีวรบินทบบาทเสนาสนะักกีฬานัเพศสัตย์ ตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประทานเอาไวนะ้อันนี้เป็นพุทธบุตรแท้เป็นสมณะสากยะบุตรแท้เป็นธรรมทายาทแท้ธรรมทายาทคือผู้สืบต่อพระธรรมวินัยตั้งใจรักษาศีลเพื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อได้มรด้ผลเพื่อเป็นทายาทแห่งมรดกธรรมมรดกธรรมของสขเสบียะสมาสัมพุทธเจ้า นี่เป็นมรกดกธรรมเราทุกคนจะต้องเป็นธรรมทายาตจะต้องบริโภคปัจใจสี่แบบธรรมทายาตเมื่อเราธรรมทายาตได้สมบูรณ์บริบูรณ์นะได้มีมีอัตมีธรรมเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาจนถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์นี่ เราบริโภคปัจจัยสีไม่ต้องพิจารณาก็ได้ไม่เกิดโทษไม่เป็นโทษเป็นสามีกิบริโภคบริโภคโดยความเป็นเจ้าของไม่ต้องพิจารณาเท่งนั้นแหละถึงกระนั้นก็ตามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีหลักมีเกณฑ์มาแล้วท่านก็ทาของท่านทั้งไม่ทอดทิ้งเ mm. คยรักษาพระธรรมวินัยยังไงท่านก็รักษาอย่างนั้นทั้งๆ ท, ที่ใจของท่านเป็นธรรมทแท้คือจิต ใจที่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านยิ่งเป็นแบบฉ บ, บับให้เราไม่ใช่ท่านอยู่อย่างที่เกลียดทีกคลาดเราดูแต่ลงตาตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านช่วยโลกช่วยสงสารช่วยผู้ช่วยคนไปเทศที่รุ่นไปบอกไปสอนที่นี่ให้กําลังจิตกําลังใจเขาให้ความรู้ให้ความเข้าใจเขาบอกสอนอัดธรรมเขาให้โอกาสเขาได้ทําบุญให้ทานขยันมากกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันทวี ท, ท, ทั้งๆที่ภาชนะท่านเต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์หมดแล้วแต่พวกเราพาชนะแห้งผ่ายังไม่มีความขยันมันเพียรเท่ากับท่านนั่นคือผู้ที่ตั้งท่านผ่านไปแล้วท่านพ้นไปแล้วท่านฝึกฝนอบรมจนเป็นนิสัยจนเป็นอัธยาศัยจนเป็นนิสัยมีแต่ความอุศลพยายามพยายามขยันมันเพียรมองเห็นประโยชน์มองเห็นประโยชน์ทั้งหมดเมตตาสงสารคนนั้นคนนี้เต็มไปหมด ดูที่น้องตานัา้นท่านอยู่ไหมฉันยังหาเสร็จแล้วสองโมงสามโมงดูเวลาดูนาฬิกาแล้วก็จะออกไปนู่นหรือจะออกไปนี่ไปชว่ปชวยที่นู่นไปช่วยที่นี่ไปสอนที่นู่นไปสอนที่นี่นั่นคือผู้ที่ท่านเต็มเปี่ยมแล้วภาชนะท่านเต็มนะ้พวกเราโมแต่มานอนหลับทับศีไม่ได้อะไรนอกจากไม่ได้อะไรแลมันจะได้สิ่งที่ว่าไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนั่นแหะมันจะทําให้เราจิตใจเราหนักเราหมองท่วงตัวเองอยู่ตลอด พ่าย้อนต้องศึกษานะศินต้องไปดูปราระชิกสี่อะไรภาระชิกสี่เสียไม่ทุนต้องภาระชิกรับของเขาได้ราคาห้ามาส่งต้องภาระชิกพูดอวดคุณวิเศษพูดยังไงพูดอวดคุณวิเศษไม่มีฌานก็อวดว่าเจ้าของมีฌานไม่มีสมาธิสมาบัติก็อวดว่าเจ้าของมีสมาธิสมาบัติ ไม่มีมรรคไม่มีผลก็อวดว่าจะของได้มรรคได้ผลอันนี้เขาเรียกว่าอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนแต่ถ้ามีในตนท่านไม่เรียกว่าอวดนะถ้ามีในตนท่านไม่เรียกว่าอวดแต่พูดในสิ่งที่ไม่มีในตนเขาเรียกว่าอวดอวดอุตริมนุสธรรมคําว่าอุตริมนุสธรรมแปลว่าธรรมอนันยิ่งของมนุษย์อุตริมนุสธรรมภิกษุ พูดอวดอุตริกมนุษยธรรมคือธรรมยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนถ้าไม่มีในตนท้าเรียกว่าอวดแต่ถ้าเราถ้ามีในตนไม่เรียกว่าอวดเหมือนอย่างหลวงตาท่านบอกว่าท่านเป็นพาาระอรหันต์ท่านเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายท่าน ไ, ไม่มาเกิดอีกตลอดอ น, นันตการคำว่าอ น, นันตการก็คือไม่มีช่องไม่มีทางไม่มีระหวงังท่านอนันตะอนันตะตลอดไป มีจิตที่บริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นตลอดไปมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะท่านมีในตนลองไปปรับอวบัติท่านสิปรับไม่ขึ้นปรับไม่ได้ท่านพูดได้เต็มปากเพราะท่านมีในตนแบบนี้เขาไม่ได้ว่าอวดเขาเรียกว่าพูดในสิ่งที่เจ้าของมีอยู่เป็นอยู่ไม่ต้องอาบัตปราชิกแต่สําหรับผู้ที่ไม่มีไม่เป็น ไม่มีสมาธิสมาบัติไม่มีมรรคไม่มีผลพูดอวดพูดอ้างว่าเจ้าของมีมรรคมีผลเพื่อต้องการลาบสักการะจากคนอื่นต้องการความนิยมชมชอบจากคนอื่นอันนี้ท่านเรว่าอวดต้องอาบัติปาราชิกอีกอันนึงคือฆ่ามนุษย์ให้ตายฆ่ามนุษย์ให้ตายมนุษย์ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมภิกษุฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอาบัติปาราชิกแม้แต่มนุษย์อยู่ในท้องเนี่ย เป็นย่างพิสูจไปประกอบยาให้คนอื่นทําแท้งหนึ่งเนี่ยคือฆ่ามนุษในท้องต้องอับัติภราชิตกนั น, น่ประกอบยาร้อนๆลงไปให้เขากินลงไปแล้วเนี่ยทํำให้คนที่มีท้องแท้งลูกออกมาเนี่ยตายถือว่าพิสูจน์ฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องอับัติภราชิตนะภิกษุไม่ฆ่าเองแต่พิสูจน์สั่งให้คนอื่นฆ่าะคืนนี้ไปเอาชีวิตคนนั้นนะ ทำให้เราแค้นเหลือเกินคนที่รับสั่งไปจัดการให้เสร็จเรียบร้อยในคืนนั้นต้องอาบัติปาราชิกอ่าเนี่ยนี่เขาเรียกว่าต้องอาบัติปาราชิกด้วยคําสั่งอ่าคืนนี้ไปจัดการคนนั้นนะให้เรียบร้อยแต่คืนคืนนี้เขาจัดการไม่ได้เขาพยายามจะไปฆ่าคนที่สั่งไปนะ่ะไปฆ่าไม่ได้ วันสองวันสามวันต่อมาเขาถึงค่าได้เขาถึงจัดการได้แบบนี้ไม่ต้องอบัตรประชิกเพราะการสั่งเป็นการสั่งระบุว่าคืนนี้คืนที่สองคืนที่สามคืนที่สี่ไปแล้วเขาถึงไคยค่าได้ต้องเอาบัตรรองลงไปอันนี้แง่ของวินัย น, นะแง่ของพระวิ น, นัยถ้าสั่งไปคืนนี้เขาไปจัดการเสร็จคืนนี้ต้องอบัตรประชิก นี่ท้าเรียกว่าอาการณียกิจภิสูจ์ที่บวชใหม่มาต้องรู้จักเป็นอาการณียกิจเป็นกิจที่ไม่ควรทำเพราะทำแล้วขาดจากความเป็นพระนี่ไปดูในวินัยเราพูดพอเป็นกลุยหมายปลายทางไปดูไปเอาหนังสือมาดูสินสองร้อยยี่สิเจ็ดข้อน่ไปดูสิ น, สนาบที่มาในประปฏิโมยแล้วก็ มานอกปฏิโมกข์อีเป็น 400, 500, 400สี่ร้อยห้ารนะ้ยสิคาบด์เนี่ยไปเอามาดูมีอยู่ในวินยัยยมุเลมสองอไปเอามาดูเอามาอ่านดูเพื่อเราจะได้เป็นข้อประพฤติข้อปฏิบัติอมีเวลาเดินโยกมกลมมีเวลานั่งภาวนาซับเปลี่ยนมาดูหนังสือธรรมะมาดูหนังสือวินยัยเพราะเป็นหน้าที่ของเราเจ้านั่นแล้วก็ม า, มาท่องมาท่องบนมาท่องบนส่วนมัน ส่วนมณียถาสัพ พ, พีภาวตุสัอยุทธ์โดโบ拉โดทีโรนพุทธาโพกาเนี่ยมาท่องครับพอเวลาเขาให้พรมันจะได้ให้พรมากนั่งเป่าแคนตลอดการกับมันก็ไม่ใช่แะแสดง ว, ว่าขี้เกี่ยวที่ค้านที่เกียจที่ค้านเนี่ยไม่ใช่ธรรมะเป็นกิเลสนะความขี้คลานความขี้เกียจที่ค้านเนี่เป็นศัตรูตัวร้ายกะต่ อ, ตอการบรรลุมรรคผลผนิพพาน เป็นตัวกิเลสตัวที่ใหญ่หยาบหยาบมากๆตัวขี้เกียจขร้คลานอย่าเข้าข้างตัวนะขี้เกียจขี้คลานให้กับตัวเองขี้เกียิขี้านนี่ไม่ใช่สรรมะเป็นกิเลสนะไม่ใช่ธรรมอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยไม่เกิดประโยชน์สดที่ผลอะไรกับตัวเองในเมื่อเราอยู่บนหนทางเราอยู่บนโอกาสเราอยู่บนเวลาเวลาที่จะพึงสร้าง ประโยชน์ให้เกิดขึ้นตัวเองให้รีบขวนขวายตักตวให้กับตัวเองเพราะชีวิตล่วงไปล่วงไปล่วงไปวันคืนล่วงไปล่วงไปลมหายใจผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่รู้เราตายวันตายพรุ่งพราะความตายเข้ามาถึงนั้นเราก็หมดโอกาสเลยเคย อ, อยากภาวนาก็ไม่ได้ภาวนาละเคย อ, อยากรักษาศีลก็ไม่ได้รักษาศีลละเคย อ, อยากบวดนานๆก็ไม่ได้นานๆนั่นแหละความตายเข้ามาถึงทุกอย่างจบ ลาบยศเกียรติรัเสริญชื่อเสียงหน้าตาในสังคมจบเพราะความตายมันมาตัดรอนไปแล้เวลาเวลาที่เราเคยนั่นึกคิดอยากภาวนาอยากได้มรรคอยากได้ผลอยากไม่อะไรอยากไม่ทําเมื่อเราเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเหมาะสมภาพภูมิที่เราที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจมาแล้วให้ตั้ง อ, อกตั้งใจใสมกับที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจมาไม่เสียทีไม่เสียที วินัยตั้งใจดูแลตั้งใจดูตั้งใจศึกษาเข้าเพื่อเป็นข้อปฏิบัติรู้ข้อไหนหถือปฏิบัติข้อนั้นรู้ข้อไหนหถือปฏิบัติข้อนั้นอไม่ให้ถือเงินถือทองเดยเฉพาะวัดป่าเราเนี่ยไม่ถึงเงินถือทองต้องเอาออกให้หมดใครมีอยู่ให้เอาออกให้หมดนะอันนี้รู้ตามหลังนี่เอาโทษนะ วัดเราเป็นวัดของปฏิปทาของหลวงตาท่านไม่ถือถือมันถือทองและอีกอย่างหนึง่งโทรศัพท์มือถือนี่เราก็มีตัวหนึ่ง เ, เอาไว้ใช้คราวจำเป็นในการใช้ใครมีคนยมจำเป็นก็มาใช้อยู่กับไอ้นู่นทูนน่ะนอกจากนั้นใครมีให้ส่งกลับให้หมดไม่งั้นเอาโทรศัพท์มาเป็นปัญหาอยู่นะสร้างปัญหาอยูนะ นี่ลูกตาท่านถือมากคือมันตัดเนี่ยท่านไล่ออกก็โทรศัพท์ไม่รูก้กี่ลายกี่ลายเราก็ให้มีเพื่อเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์ว่าใครมีจำเป็นอะไรสมัยโลกยุคสมัยปัจจุบันก็มีมือถือใครมีต้องการพูดคุยอะไรกับใครก็ให้มาใช้เครื่องตัวเนี้ยเครื่องตัวเดียวห้ามมีซุกซุกซ่อนซ่อนเอาไว้นะเป็นโทษกับตัวเองด้วย ขึ้นระเบียบเราเราไม่พาทํางั้นเราเอนุโลมให้มีอยู่หนึ่งเครื่องสําหรับใช้เวลามีความจําเป็นให้ตั้งใจนะอนาชิกสีสังขารที่เสียสิบสามไปดูไปอ่านดูพระนุมน่มๆไปอ่านดูสังขารที่เสีสิบสามไม่ไปอ่านดูแล้วมาต้องอัดสังขารที่เสียซะก่อนนะนะ เราก็ต้องมาอย e ู่กรรมอยู่เวรอะไรต่ออะไรเนี่ยยุ่งเยอะวุ่นวายนะะการที่เสียสิบสามมีอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไปดูเถอะมีแต่เรื่องความคึกขนองเท่นั้นล่ะพิสูจน์คึกขนองทําให้ผิดอับัตสังขารเสียข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไปดูดีไม่รีบไปดูซะก่อนมันต้องอับบัตซะก่อนนะมายุ่งมาวุ่นวายหมู่นะอ่า สังขารที่เสียสิบสามข้อไปดูมีอะไรบ้างไปดูตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามเนี่ยเวลามันต้องบาดมันต้องอาบัตสังขารที่เสียไปแล้วเนี่ยมันแสดงไม่ตกนะมันต้องอยู่กรรมมันต้องอยู่กรรมมันต้องอาศัยกำลังสมมันจะออกจากอาบัติได้มันเป็นอาบัตหนักประเภทแก้ไขได้สเติปิชาเป็นอาบัตที่ยังมีส่วนเหลือ สังฆาทิเศษแปลว่ายังมีส่วนเหลือสังฆาทิเสษสังฆาทิเสษมันเป็นอาบัติหนักประเภทมีส่วนเหลือถ้าเป็นปราชิกเนี่ยแปลว่าอาบัติหนักประเภทไม่มีส่วนเหลือต้องเข้าไปแล้วขาดจากความเป็นพระหมดสภาพความเป็นพระบาปกรรมหนักหนาสาหาัสถ้าใครเจตนาล่วงละเมินดูไปศึกษาดีนะวินัย วินัยแต่ละข้อแต่ละข้อก็คือบาปแต่ละข้อแต่ละข้อนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านสรงมันหยักมาเพราะว่ามันเป็นช่องมันเป็นรูมันเป็นโอกาสที่กิเลสมันแสดงออกแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อมันเป็นช่องออกของกิเลสพระองค์เลยส่งมัญหยติให้พิสุถือปิดช่องนี้ปิดช่องนี้ปิดช่องนี้ปิดช่องนี้ปิดช่องน้ํามันรั่วทะละเข้ามาทับถมเรือของเราจะทําให้เรือของเราจม ต้องการข้ามฟากข้ามไม่ได้น้ารูพรุนไปหมดเรือเรารูพรุนไปหมดราจะข้ามฟากไปได้อย่างไงพราะฉะนั้สี่ขาบทแต่ละข้อแต่ละข้อนเป็นรูแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องที่ให้เราศึกษาแล้วก็อุดรู อ, ดอุดช่องน้ําที่มัทะลักเข้ามาทับท่วมเรือของเราบาปแต่ละข้อแต่ละข้อว่างนั้นเถิดพราะะนั้นท่านจึงให้รักษาศีล การรักษาศีลคือการปิดกั้นอุดรูรั่วที่มันจะรั่วมาทับมาท่วมเรือของเราศีลสองร้อยยี่สิบ <c oughs> เจ็ดจากนั้นแล้ก็มีศีลประเภทอภิสมัยจารย์ความประพฤติจากนั้นแล้วก็มีปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาจากนั้นแล้วก็มีทูดงคำวัดอันเป็นข้อพระพุทธปฏิบัติช่วยทรงเสริมให้ ให้ธรรมะในจิตใจของของสมณะผู้ทำใจมันเป็นสมณะธรรมเจริญงาะเงยเจริญเงาะงามทุ ด, ดงสิบสามข้อแต่ะละข้อแต่ะละข้อแต่ละข้อสําเร็จได้ด้วยการด้วยเจตนาสําเร็จได้ด้วยสัจจะตั้งตั้งสัจจะถือทุ ด, ดงตั้งสัจจะถือทุ ด, ดงศีลนี้เป็นพื้นพื้นทีน่สุทจะต้องถือจะต้องปฏิบัติ ไม่ถือไม่ปฏิบัติไม่ได้เป็นหน้าที่ที่จะต้องถือจะต้องปฏิบัติถีญข้อนั้นก็ไม่ถือข้อ น, นี้ก็ไม่ถือไอ้ไม่ถือได้อยู่แต่ก็ได้แต่บาปหาบแต่กรรมนั่นแหละเข้ามานี่เข้ามาเนี่ยเข้ามานี่คลอนมากลับไปหาปหามเข้าไปไม่หมดมามาไมหาสารขาดทุนศูนกําไรเราอยู่บ้านเราไม่มีโทษไม่มีกรรม ระไม้เนี่มันเป็นที่ที่ทำให้บุญกุศลเจริญเมื่อเงินเจริญเมองามง่ายแต่ต้องเป็นไปตามข้อประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ทรงวางไว้ถ้าไม่ตั้งใจทําตามนั้นเนี่ยเราก็จะได้บาปหากรรมไปมากกว่ามากกว่าเราไม่เข้ามาซะอีกถ้าเป็นคนดื้อรั้นต้ออวตารราชิกเข้าก็เท่ากับเป็นคนล้มละลายแล้วแหละ ไม่สามารถจะได้มรัคได้ผลในอัตภาพนี้ตั้งใจปฏิบัติจนตายก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะความหยาบของใจมันไปไม่ถึงโอกาสที่จะมาขัดกลาบกิริยาร้ายละเอียดเพเื่อจะเล็ดรอดเข้าไปสู่มรรคเข้าไปสู่ผลที่โปร่งรงประธานเอาไว้มันเล็ดรอดไปไม่ได้มันหยาบมากๆหมดสภาพทัญญ า, าว่าการทธารมะกินก็คือล้มละลายอ่ะนะทำอะไรขึ้นมาแบโอ๊ยขอรับ สรานสร้างตัวได้สักหน่อยหนึ่งถูกขมาริเอาไปหมดถูกขมาริเอาไปหมดชดใช้บาปกรําไม่จบในสิ้นท่านจึงให้ธรรมะธรามะวารชิกสิ่เป็นอาการณียกิจเป็นกิจที่มีควรทำพิกษุ์จะต้องพึงรู้ตั้งแต่วันแรกตอนบวทจบที่จะเรียกว่าอนุศาสตร์แปอนุศาสตร์แปนั่นแหละอนุศาสตรแ์แก้ว่าตามสอนแปดข้อแปดอย่าง กรณียกิจสีอกรณียกิจสี่ประเภทปา ร, รายชิกสี่ประเภทอาการณียกิจเป็นกิจที่พิสุไม่ควรทำกรณียกิจเป็นกิจที่พิสุควรทำกิจอะไรบ้างที่พิสุควรทำบวชเข้ามาแล้ว อ, อยู่โคนไม้หนึง่งบินธบานเลี้ยงชีพหนึ่งอยู่โคนไม้หนึง่ง อยู่คนไม้ก็คือนุ่ม ผ, มผ้าบางสกุลหนึ่งชั้นยาดอกต <c oughs> องด้วยน้ํามังเน่าหนึ่งอันนี้คือปัจจัยสีเขาว่าปัจจัยสีก็คือสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีสำหรับเลี้ยงชีวิตเราปัจจัยทั้งสีเครื่องอุ่นหนุนชีวิตของเราเป็นเครื่องอาศัยของเราชาวบ้านเขาเขาก็มีปัจจัยสีเหมือนกันอ า, อาหารเครื่องนุ่มผมที่วยูอาศัยยารักษาโรค พระเราก็ปัจจัยสีมกันเพราะอะไรเพราะชาวบ้านกับพระเรามันก็คนนันเดียวกันคนเหมือนกัน ช, ชีวิตนี้มีอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้เพราะอาหารต้องฉันอาหารต้องรับทานอาหารนี่พุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติบิณฑบาตเลี้ยงชีพนะไม่ใช่ว่าไปซื้อถูกขายแพงค้าขายทำนู่นทำนี่ลองไปรับจ้างอย่างนู้นยงนี้ไม่ใช่นบิณฑบาตเลี้ยงชีพ นี่คืออาหารได้มาจากการบินธบาตอาหารที่ได้มาจากปลีแข้งของตัวเองรู้จักอาหารปลีแข่งไหมอาหารอาศัยปลีแข่งของตัวเองคืออาหารบินธบาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นยาดูถูกบินธบาตอาศัยปลีแข้งของตัวเองบินทบาตเลี้ยงชีพเบื้องตัวของตัวเองถือว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตที่บริสุทธิ์นุ่งหอมาพ้าบางสุขุนเครื่องน่งหอมได้มาอย่างไหน อาหารได้มาจากวินทบาทเครื่องนุ่มหอมได้มาจากผ้าบางสุกุลเบื้องต้นของพุทธกาลนั้นอะยังไม่มีอนุ ญ, ญาตผ้าอย่างอื่นอนุญาตให้พิษุสแสวงหาผ้าด้วยวิธีอาศัยผ้าบางสุกุลปังสะกุละกุละกแปลว่าผ้าปังสุกปังสักปังสุปังสุปงสปงสปงสแปลว่าผ้าเปื้อนฝุน่นปังสุกแปลว่าฝุน่นกุละแปลว่าผ้า บางสกุลบางสกุลแปลว่าผ้าเพื่อนฝุ่นผ้าเพื้อนฝุ่นคือผ้าที่เราเขาเอาไปทิ้งทัสลุแล้วก็ทิ้งนะ้วอ่านผ้าอยู่ตามหยากเยื่อตามกองขยะผ้าที่เขาหอ่อศพสมัยก่อนนั้นป่าป่าช้าผีดิบเข้ามาผีดิบก็คือผีไม่ได้เผาไม่ได้ฝังนั่นแหะตายแล้วก็เอาไปทิ้งไว้อที่เนินภูเนินป่า เอที่ดอนที่ใดที่หนึ่งเอาไปทิ้งไว้เป็นประชาศนะักดิกศพก็เปื่อยก็เน่าก็พองก็อื่ดแรงกามมา ก, กัดกินอึกระทึกอ่ะผ้าที่เขาพันๆผ้าพันศพเราไปทิ้งพิสูจน์ต้องการอำมาทำผ้าสลับนุ่มสลับผมเขไปชักเป็นผ้าบ้งสุขุลอีบังป้งสุกุละเจียวรงอาจสามีกลางไม่ห้างป่าพุนาทิต ภาพบางสุกุลผืนผนี้ไม่มีเจ้าของย่อมตกแก่ข้าพเจ้ามาชักมาแล้วก็มาซักมาฟอกโอ้ยซักมา่าไหร่มันจะหมดกลิ่นกลิ่นหอมสงมีบางคนเขาเคยไปชักมานะไปชักมาแล้วก็มาต้มมาซักมาฟอกเท่าไหร่ก็ไม่าหายน ะ, ะมั่งที่อยู่ดีๆก็หาย ด, ดูมันจะหายพอเวลาเรามานุ่งมาห่มถูกเงือ้อตัวอะไรจะมากลิ่นเก่าขึ้นมานล่ะผ้าบางสุขุนเราดูดิทุกท่านเจ้าท่นสงให้พวกเราใช้ใช้ผ้าบางสุขุนผ้าได้มาจากผ้าบางสุขุนที่วาใสยคือบ้านถ้าเป็นชาวบ้านก็คือบ้านที่อยู่ที่อาศัยกันแดดกันฝนกันสัตว์เลื่อยกลางอะไรต่างๆสมัยต้นของพุทธกาลเนี่ย ที่อยู่าัยคือโคนไม้น่ะอยู่โคนไม้หนึ่ง ย, ยายาดองด้วยน้ํามุ้เน่าน้ํามุ้เน่าคือน้ําปัสสาว ะ, ะต้องการทําให้น้ําปัสสาวะนี่เป็นยาก็เอายาอย่างอื่นมาแช่มาดองสิงอย่างดองสมอดองขาป้องดองพ ร, ระเพาะเพชรอันนี้เป็นยาเราดูที ทำไมพุทธเจ้าท่านสึง่งจึงทรมานพวกเราถึงขนาดนี้เพื่อไม่ให้พระเราเนี่ยสแสวงหาในสิ่งที่ประดับประดาตกแต่งหรูหราที่อยู่ที่ใช้ที่สอยรวมถึงอาหารขบชันเน่ไม่มันเกินเกินขอบข่ายของสมณะผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยทรมานตอนทุกชุกแรกๆกว่าพระองค์จะทรงเมตตา ประธานพรให้อาหารเออรับจากก้าปติข้าปดีที่มีศรัทธาอืไปฉันบ้างไปอะไรบ้างเกามาถยายตามที่วัดบ้างในวันโบสดบ้างในวันปฏิโมกบ้างอเป็นเป็นพัดต่างๆเนี่ยเป็นพัดเป็นอาคารทุกกะพัดเป็นคามิยพัดพัดของผู้ไปพัดของผู้มา พัดของผู้อยู่อุโบสถ อ, อุโบสถิกพัดเนี่ยสลักกัดพัดต่างๆเหล่านี้จึงตามมานี่เป็นนันนี้เป็นพรที่ระรูปธรรทนสงประทานรไปถึงรับนิมนต์ไปฉันที่นู่นที่นี่รุรูปธรรทนสรงประทานทัสงเมตตาผ้าเหมือนกันเมื่อก่อนใช้ผ้าบางสกุลตอนหลังมาให้ให้รับผ้าได้ ที่ตะาเรียก ว, ว่าข้าปติกีวรข้าปติกีวรกีวรที่กราบบดีเขามีความเลื่อมใสศรัทธาก็ถวายมาแล้วก็มาตักมาเย็บมายอ่อมมาอาธิษฐานกินทุกอธิษฐานแลใช้ใช้สอยไปนี่คือความเป็นโย่ยาก็ดองหนึน่งน้ำมุกเน่าแล้ต่อมาก็รับอยู่รั บ, รบยาตามาตามหมอ ยานั้นแก้โรคนั้นยาหนั้นแก้โรคนั้นยาหนั้นแก้โรคนั้นสอนพุทธการเราหมอชีวกนั่นแหละเป็นหมอยาประจาพุทธเจ้าเรารักษาภาษาวกด้วยเนี่ยพุทธเจ้าท่านทรงประทานอันนี้เป็นกรณีกิจเป็นกิจที่พิสูจน์ความธรรมทั้งสองอย่างนี้ทั้งกนณีกิจทั้งอักกรณีกิจอุปชายะจะต้องบอกเราทันทีที่เราบวชเสร็จอเราเห็นไหมเวลาเราบวชเสร็จเนี่ อุิชาัยาท่านจะให้อนุสสารแวดอย่างอุปชายยะจะจะต้องรีบบอกถ้าไม่รีบบอกภาวะภิกษุภาวะของภิกษุรูปนั้นจะพึงจะเสียยิ่งไปไปต้องอบัตปราราชิกอย่างใดอย่างหนึง่งหมดสภาพความเป็นพระหรือไม่ถ้าไม่บอกปัดใจทั้งสีไว้ก่อนพอเวลาไปอยู่แล้วนี่ ต้องปรยู่ทุ ก, ย ก, กนนอย่างลาบากกันนานยังไงยังงังไงโอ้ยอุป च ัายยะเราไม่บอกแต่ก่อนนะถ้ารู้ทุกอยาก่างลาบากกันนานนี้เราจะไม่บวชแล้วเราอยู่ไม่ได้เราทนไม่ได้ก็เลยต้องบอกก่อนจำเป็นต้องบอกก่อนไม่บอกก่อนไม่ได้อุปชัยยาะยังไงแบบไหนก็ตามวัดบวชในบ้านบวชในเมืองบวชที่ไหนก็ต้องบอกบวชเหมือนกันหมดอืมนี่นิสัยสี่อาารรถนยกิจสี่ นิสัยนิสัยก็คือเครื่องอาศัยนั่นแหละกีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคท่าเรียกว่านิสัยนิสัยนิสัยก็คือเครื่องอาศัยนิสัยสี่อการณียกิจสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตท่าเรียกว่านิสัยดูในหลักท่านพูดเอาไว้จากนั้นแล้วก็มีข้อปฏิบัติตามมา อนิยตสอง 13, สังคาทิเศสิสสังคาทิเศสิบสอนิยตสองสิขาบทนะนิสกียาปยตี30ข้อปยติปยตเทศนียะสี่ปยตีเก้าสิบสปยตเทศนียะสเสกีวัตเจ็ดสิบหเจ็ดสิบ้าขาบทที่กำเสมถะเก สินสองรอยี่สิบเกียของเราไปดูปอ่านดูดูใหูู้ดูหน้าดตาของมันแต่ละข้อแต่ละข้อเป็นไงอ่านไปอันไหนมีความจําเป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเราเราพีายงจมจับอาไว้ข้อไหนเราจําได้เราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆอือันนี้สินของเราอันนี้สินของเรานี้สินของเราออันนี้สินของเร า, นนเราแต่เราไม่รักษาแล้วแหละเราทิ้งแล้วบาป เช่นท่านบอกว่าไม่ถึงเงินทือทองแต่เราไปถึงเงินทือทองกลัวกลัวอยากกลัวลําบากเรายอมบาปดีกว่าเราได้บุญนะ่ายอมบาปบาปให้ผลเป็นทุกทุกอย่างลาบากกันนานการรักษาศีลแบบนี้ไม่มีผลไม่มียในสองทําลายภาวะของตัวเอง อาจทำที่ไหนในตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติทลายมันเกิดขึ้นไม่ได้เจริญขึ้นไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งใจรักษาสินสินเป็นเหตุทำให้ิีดของเราเนี่ยไม่โกระนกระวายเนื่องจากว่าเราไม่ผิดสินสินข้อนั้นเราก็ถือสินข้อนั้นเราก็ถือสินข้อนั้นเราก็ถือรู้ว่าเราผิดสินข้อนั้นเราต้องรีบแสดงบัตข้อนั้น นิสกียปยติต้องรีบแสดงอัตบัตินิสกียปยติขอนั้นไปยติต้องเรียบแสดงอัตบัตไปยติขอนั้นทุกกดเราต้องรีบแสดงอบัติทุกกฎท่านให้แสดงมาให้ข้ามคืนถ้าข้ามคืนถ้าปราบอัตบทุกกฎเพิ่มนีกถ้าใครรู้รู้ว่าต้องอัตบอตินี่เราจะต้องรักษาเราพูดว่าโอ้ยอันนั้นเราก็ไม่รู้อันนี้เราก็ไม่รู้เราไม่รู้น่าจะไม่ต้องอบัติไม่ใช่ เมื่อคนทำผิดกฎหมายบ้านเมืองเราจะไปอ้างว่ามันลูกกฎหมายไม่ได้กฎหมาย ท, ทําโทษเราลูกเดียวพระวินัย 2,427 ขบพระภิกษุมาจาร์ต่างๆก็เช่นเดียวกันต้องระบาดทั้งปราบาดเท่าเทียมกันหมดไม่มีพิสุใหม่พิสุกเก่าสําเร็จเป็นพิสุภาวะมาแล้วสิน 2,427 เป็นของเราเต็มที่ต้องตั้งใจรักษาด้วยกันตั้งใจรักษาเหมือนกัน ใครทั้งหมดตัง้ตงใจรักษาได้คนได้บุญตั้งใจทำจิตให้ได้รับความสงบจิต ก, ก็พร้อมที่จะได้รับความสงบเนื่องจากว่าจิตเรามันไม่กังวลกับการที่เราไปผิดสินข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นนั้นเพราะฉะนั้นท่านเรียก ว, ว่าสินหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญานหนุนวิมุตตคือความหลุดความพ้นเราตั้งใจพระพุทธปฏิบัติ ตั้งใจบวชมาเพื่อมรักเพื่อผลเพื่อความหลุดพ้นพ้นทุกพนโทษพ้นเบญพ้นภายในวัฏสงสารเราอย่าลืมเจตนานเดิมของตนเพราะว่าการบวชมาไม่ใช่ว่าเรามาหลบอยู่สสบายเฉยถ้าใครคิดแบบนั้นลวผิดเรามีเวลามากก็ตามมีเวลาน้อยก็ตามขอให้เราตั้งอกตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติไม่งั้นมันจะปีนเกลียวกันกับ เจตนานังเดิมของเราเจตนาของเราคือเราต้องการความสุขความเจริญจากจากการที่เรามีสมณเพศถึงเราไม่บวอยู่ตลอดชีวิตก็ตามเราไม่ได้ตั้งใจภาวนาเด็ดเดียวเพื่อมาเพื่อผลก็ตามแต่ขอให้เราตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามโอกาสตามเวลาอันควรเราจะมีเวลาน้อยก็าตามมีเวลามากก็าตามเราก็ติเตียนตัวเองไม่ได้ เขาดึงี่เตียนเตียนตน ไ, ได้และบุญก็พลอยได้จากการที่เราต้องอกต้องใจตามที่เราอยู่มากอยู่น้อยตั้งใจทํามากตั้งใทําน้อยนี่ผล น, นิสงจะพึ่งเกิดขึ้นเพราะการบวช น, นั้นเป็นช่องทางเราอยู่คร า, าวนะ่าเน่ะเหมือน เ, เราอยู่ใกล้ฝุ่นใกล้ละองทุลีเข้าหูเข้าตาต้องปัดต้องเป่าต้องเช็ดต้องล้างอยู่ตลอด เดี๋ยวราคะเกิดเดี๋ยวโทสะเกิดเดี๋ยวโมหะเกิดกิเลสตัณหาราคะเกิดทุกระยะทุกเวลาอิจฉาทิสยาพยาบาทครุกคลีวนเวียนอยู่กับแต่สิ่งเหล่านี้น่าเบื่อหนายน่ารำคาญแต่เราพิจารณาไปแล้วเรามีความสุขนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเองที่จะปล่อยได้รับเสพสุขแล้วเราก็ยินดีพอใจกับความสุขเล็กๆน้อยๆลองนีดน่าอยู่มีสุขเทศนายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเออ ยินดีเพลินใจกับสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องการสิ่งนู้นได้มากับเพลินใจยินดีใช้สอยไปสัหน่อยก็เบื่อนายก็ต้องการสิ่งนี้ทิ้งสิ่งนู้นก็มาเอาสิ่งนี้ใช้สอยไปสักพักหนึ่งเพื่อยันก็เบื่อหน่ายทิ้งสิ่งนี้ก็ไปเอาสิ่งนู้นก็ทิ้งกันไปทิ้งกันมาทิ้งมาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งมาอย่างนี้แหละเพราะมันไม่ใช่จุดจบมันไม่มีที่จบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสมณธรรม สำนักธรรมมันมีจุดจบมันมีที่จบเนื่องจากว่าเรามาฝึกฝนเรามาอบรมเรามาศึกษาเรามาค้นคว้ารู้เหตุผลปัจจัยของมันเพื่อที่จะลดเพื่อที่จะละเพื่อที่จะปล่อยเพื่อที่จะวางจากราคะจากโทสะจากโมหะอันเป็นผลผลของกิเลสที่มันจะพึงเกิดขึ้นเป็นกิริยาเป็นปฏิกิริยาจากกิเลสที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรา เมื่อเรามาศึกษาเราได้หินได้ฟังเรามารู้เรามาศึกษามันก็ค่อยๆผ่อนไปเบาไปคลายไปจางไปศึกษาไปจิตไม่เคยได้รับความสงบก็จะได้รับความสงบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นจิตไม่เคยเป็นอิสระจากกิเลสจิตก็จะเริ่มเป็นอิสระจากกิเลสจิตเป็นอิสระจากกิเลสก็คือจิตเป็นตัวของตัวนั้นแหะกิเลสมันมันไม่มายุแย่ก่อนควรจิตอ่า ความรู้สึกเกิดขึ้นจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในเมื่อเราศึกษาไปศึกษาไปด้วยเหตุที่เรามีสติดีมีสัมผัจัญญดีก็ทําให้เราเป็นตัวของตัวโอกาสที่จะทําให้จิตของเรากํำเริบเสบสารยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้เกิดราคะโทสะโมหะบ้างอะไรอะไรบ้างในเมื่อจิตเราเร็วรวดเร็ว มีสติสัมปชัญญะดีรวดเร็วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ได้มันก็เป็นการชำระขั ด, ขดข เ, เ, เ, เขขกลกาตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยตั้งใจสุขวัลอบรมไปมันก็จะสงหวังไปเรื่อยไปเรื่อยไอยอยู่ต่อไปสุ ข, ขวัลอบรมไปเห็นโทษเห็นภัยจริงๆเอาเป็นเอาตายเขาว่ า, าภาวนาเน่ยนั่งภาวนานหามรุงาหามค่ำทำความเพียรหามรุงหามคำมันจะไปไหนพระสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันเป็นผลที่จะพึ่งเกิดขึ้นจากเหตุอยู่แล้ว ะมันไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นลอยๆเอ้ยสศบะศ บ, บน่องได้นุ้นได้นี้ขึ้นมาไม่มีเกิดขึ้นจากเหตุจริงๆเราทําเหตุไม่สมผลโอกาสที่ผลจะเกิดไม่มีทำมาวินัยมรรคผลนิพพานไม่ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นอย่างมีเหตุ ม, มีผลใ น, นเมื่อเราตั้งใจทําเหตุทําผลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว โอกาสที่เราจะพึ่งได้โอกาสจะพ้นได้อย่างเต็มทีม่เพราะฉะนั้นถ้าเราหวังจะฝากชีวิตขจัดร้ายพ้นจากทุกเวรภายในวัฏสงสารเนี่ยเราต้องมาตั้งใจอยู่อย่างนี้เข้ามาอย่างนี้มันเป็นช่องออกมันเป็นที่ออกเป็นไม่งั้นพวกเราติดกันอยู่ในการเป็นกราวาางครองเรือนไม่จบไปสิ้นไม่มีช่องออกไม่มีทางออก การมาถือเป็นสมณะเพศถือว่าเป็นทางทางออกมันเป็นช่องออกมันเป็นช่องปลอดโปรง่งเราดูดูที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเสด็จออกนะ่ะตอนสมัยเป็นเจ้าชายานนะเสด็จออกวาระแรกเห็นคนแก่วาระที่สองเห็นคนเก็บวาระที่สามีห็คนตายวาระวาระที่สี่เห็นสมณะโอ้เนี่แหละช่องออกของเราเนี่ยเห็นไหมทําไมเราถึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย เห็นคนแก่โอ้เราจะต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราจะต้องเจ็บเห็นคนตายเราก็จะต้องตายทำไมเราจะออกจากแก่จากเจ็บจากตายได้ก็ไปเห็นสัมณนานี่แหละคือช่องทางที่เรามานั่งพิจารณาไถ่ควรเพื่อ ค, นค้นหาปัญหาต่างๆที่มันพันหัวเองเราใหเราแก่เราเจ็บเราตายยินดีพอใจกับความเป็นสมนัมณะาใช่ไหมในสุดเราก็ออกบวชพราะนัการบวช ถือว่าเป็นช่องออกพวกเราออกถูกช่องแล้วที่เรามาบวชเนี่ยเราออกถูกช่องทุกคนมีพรมจรรย์สามารถรักษาศีลสามารถปฏิบัติธรรมเราอยู่บนช่องทางเราเราอยู่บนเส้นทางเราอยู่บนโอกาสเราอยู่บนเวลารเวลาให้เรารักษาเจตนานั้งเดิมของเราไว้แล้วก็ตั้ง อ, อกตั้งใจอย่าให้เสียท่าเสียที อย่าปล่อยโอกาสปล่อยเวลาให้กมันมันไม่เคยให้คุณหรอใครแหละเรื่องของกินเล่นมันมีแต่ให้โทษลองยุให้รับรู้ลองไปเพลินรับไปตามมันดูเอเหมือนกับเราเหมือนกับเราเห็นเห็นเห็นเยื่อเกาะที่ปลา ย, ลยอุจนาระโอ้เยื่อเยอะอยาก ด, อากดูอยากกินแล้วก็งอขึ้นมาแหละเบ็ดเกาะปากทันทีอา่า รู้จักไหมรู้จักที่เด่นของมันไหมที่เด่นตอนที่เราเห็นดีเห็นงามเยอะบุ้ยอะไรหรูหร่าเท่าไม่ได้แ่ะโอยยิ่งเยอะละเกินเพลอนใจละเกินอดใจไม่ได้นับขึ้นมานี่ยเบ็ดเกาะปากเลือดสาดเต็มปากคําว่าเลือดสาดเต็มปากก็กองทุกนันแล้วทุกมากทุกน้อยมิดอ่ามีกราบปากมาแล้วทนเก็บทุกอยู่นั่นแหะบางคนก็ คนเก็บไม่ไหวต้องระเบิดออกมาหนีออกมาหลอดออกมาหนีออกมานี่คือกองทุกรู้จักกองทุกไหมลองไปหลงตัวให้ตัวมานดูเรื่องคววิเวียนไม่เคยให้ความสุขใครนะให้ความสุขทุกความสุขก็คือทุกเขเวทนาแหละได้ได้เพลินใจนิดหน่อยได้ทุกข์มากมายมหาศาลกามทั้งหลาย ให้ทุกข์มากให้สุขนิดหน่อยบรรดาการมทั้งหลายการที่มันมั ด, มดหดดัวใจหัวใจเรามากที่สุดก็คือยอดของกามนันคือกามมันตันหานั่นแหละมัดหัวิจหัวใจของคนเราเนี่ยทำให้เราหงอกตาบอดอเห็นดีเห็นงามเห็นชอบไปตามมันง่ายๆคนหูเบาใจเบาขาดสติปัญญาพิจารณาด้วยแล้ ว, ลวก็เป็นเหยื่อของมันง่ายๆ กองทุกข์ต่างๆเหล่านี้เวลามัดไม่จออิตไม่ใจนักใครเราก็มิดแก้ไอขรื้อฟื้นอยู่นั้นะนะบางทีก็รื้อได้บางทีก็รื้อไม่ได้เราอยู่บนเส้นทางที่เราปลอดโปร่งโล่งถงในการศึกษาทําในการปฏิบัติธรรมความเป็นสมณะอยู่แล้วเราเป็นอิสระเสรีมีความสุขมีความสุขคนอื่นก็มีความทุกข์เดือดร้อนใจอย่างนั้นอย่างนี้เรามีความสุขหรอ วันคืนลงไปเรามีแต่ทาประโยชน์ให้กับตัวเองเนาะโดยมีกลมเอาประโยชน์กับตัวเองนั่งภาวนาเอาความเฉลายให้กับตัวเองทํานู่นาา ท, ทํานี่ทําอะไรเป็นอิสระไปหมดแต่ต้องปฏิบัติต้องหันหน้าต่อสู้กับกิเลสเพราะกิเลสมันรุนแรงมันอยู่ที่ใจของเราอถ้าเราจะโทษเรืต้องโทษใจของเราเนี่ย ใจของเรามันไม่บริสุทธิ์มันแปดเปื่อนมากับกิเลสเพราะฉะนั้นเราเจึงจึงต้องพย่ยามชำระขัดเกลากิเลสในใจของเราพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วนาไปคิดพิจารณาตั้งใจกอบโกยตัดตัวงผลประโยชน์ที่จะเพิงเกิดขึ้นจากการตั้งใจรักษาศีลจากการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมพระประพังหน้าที่การงานอย่างอื่นอันประกอบไปด้วยความเป็นอยู่ของเรา ก็มีความสำคัญก็ให้เราตั้งใจศึกษาให้ตั้งใจทำให้ตั้งใจหวงังพึ่งบุญจากสิ่งนั้นๆอย่างจริงจังเอาละพอั้องควรเวลาเอาละเละ้วอนั่งภาวนามามากมายเนี่ยเป็นชั่วโมงๆเนี่ยสงบบางไหม นั่งภาวนามามากมายชั่วโมงชั่วโมงกว่าเนี่ยสงบบ้างไหมจิตอยู่บ้างไหมใครจิตไม่อยู่เลยมีไหมฮะไม่อยู่กับการภาวนาเลยเนี่ยไม่อยู่กับพุทธโทธบ้างเลยเนี่ยมีไหมฮะแสะดงว่ามีแตมีแต่อยู่ตัวเนี่ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์สิบเอร์เซ็น ยี่สบอ็ห right. like, right ้าสิซอยู่คิงนิ่งดิ่งเลยมีบ้างไหมงมเข็มเลยแหละถามแบบนี้งมเข็มเลยไม่อยู่ไปไหนมันไม่อยู่ผิดมันไปไหนมันไม่อยู่ถามตัวเองทําไมมันถึงไม่อยู่ถามนะ ความหลงมันแน่นหนาตึ๊บทับถมหัวใจเราดูหิดีความร่มหลงถ้าวิธีนี้แก้ไขไม่ได้วิธีอื่นไม่มีอืถ้าวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้ไขไม่ได้ทํากิจของเราเนี่ยปลอดโปร่งเก่ยวใส่ไม่ได้เลยสว่างสวยไม่ได้วิธีอื่นเนี่ยไม่มีอ่ะมืดตึ๊บไปเรื่อยมืดตึ๊บไปเรื่อย เพาวิธีนี้มันเป็นวิธีขัดเกลาถูกที่ถูกจุดถูกเป้าถูกงานอย่างชำระถ้าเกิดงชำระก็คือชำร ะ, ะสิงสกปรกถูกที่เลยสิ่งสกป ร, ปปรกคือกิเลมันสกปรกที่หัว ใ, ใจนองเร า, าชำระถูกที่มันก็จะค่อยๆจางไปจางไปจางไปจางไปใจของเราที่เคยมืดตึ๊บมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้น เป็นตัวของตัวมากขึ้นสติก็ดีขึ้นสังขจันทรยากก็ดีขึ้นอะไรอะไรก็รู้สึก ด, ดีขึ้นหมดแหละถ้าเราตั้ง อ, อกตั้งใจทําหน้านี้มันใบไม้เกิดกลางนะยามดูปัดปัดไปทั่วตามซอกตามมุมตามแหลปัดหอนหมืนใบไม้เวลาปัดกว่าจะไปเล่งวิ่งใส่สนามกว้างๆแล้วนะ ตาซอกตามมุมตามกุฏิกตังเนี่ยเป็ปัดตามซอกตามมุมนี่สําคัญนะมันไม่ค่อยมีใครอยากปัดนะไปปัดไปเคลียร์ไปไล่อกให้หมดอนะ่ะแท้จริงบริเวณกุฏิกตังเนะี่ยสำคัญปัดออกให้สะอาดทห้หมดหรือวิ่งใส่สนามอ่ะสนามใหญ่ๆก็วิ่งใส่วิ่งใส่แหละไอ้ตามซอกตามมุมไม่ดูดูไปตัวทั่วปัดตานะปัดตาก็ตั้งใจปัดเลย เป็นขอ้อวัดปัดไปภาวนาไปพุโทโธพุโทโธุทโธพุทโธไปภาวนาไปสร้า ง, า ง, ว ง, างความพอใจกับตัวเองสร้างฉันทกความพอใจกับตัวเองเอาความพอใจมาใส่แล้วอะไรจะมาทับหัวใจเราดูที่พอใจนี่คืองานของเราตั้งใจทำหนักบ้า ง, ง, างเหนื่อยบ้างเหน็ดเหนื่อยบ้างอะไรบ้างมาตั้งใจทำ ยากลาบากเร็วช้าอะไรก็แล้วแต่งานอย่าไปคิดขัดข้องคุณเครื่องให้กับจิตใจผู้ตัวเองดูให้ทานมันนานเสร็จแล้วเกินคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ก็ไม่ช่วยตรงนี้เราปัดคนเดียวนานเสร็จแล้วเกิน่ะคิดสารพัดมันไม่ใช่ทําภาคิดนะ่ะกิเลสภาคิดนะนอันนั้นหนักแล้วเกินอันนี้หนักแล้วเกินคนนั้นไม่ช่วยเก็บไม่ช่วยหยิบไม่ช่วยวาง คิดสลรพัดคิดให้เกิดประโยชน์คิดที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทําด้วยสติด้วยสัมผชัญญะเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องฝึกสติสัมผชัญญาของเรา<ม>ข้อวัดปฏิบัติทั้งหลายที่เราพึงกระทําเนี่ยมันเป็นเอาข้อวัด่างตานี้เป็นเครื่องฝึกสติถ้าเราคิดอย่างนี้ ไม่ได้กำลังหมดเราจะทําอะไรก็ตามได้กำลังใจหมดเลยเอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกสติหนับบ้างเบาบ้างมากบ้างน้อยบ้างทําบ้างอทําก็ทําตั้งใจทำจริงๆอย่างทาเล่นๆนี่นับดูที่ใครนับครบบ้างเนี่ยเอาเราลุกขึ้นยืนนับดูทั้งหมดนี้เท่าไหร่เราไม่ได้ทําพลาดเราดูทั้งหมดเท่าไหร่ลุกขึ้นนับสองคนสองอค์ถือกันเนาะลุก สอง อ, องนะฮถูกกันนะนับครบไหมนี่กูหนึ่งมึงเหนะสา ม, สามสิเนน่ครับนี่กนะูหนึน่งมึงเหอนะหายไปไหนหนึ่งเด้ ในครัวไม่ชีมาเพิ่มอีกหนึ่งนะอยู่มีที่อยู่ยังไงมีกุติอยู่เหร อ, อ, หรอกุติที่ไม่ชีประดับอยู่น่ น, นะมันเราก็ไม่ได้ไปดูสักทีมันไม้เมื่อยอะไรตายหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ก็ดูรถน้ำรอะไรน้าไม่อดน้าเต็มไปหมดวัดเราเนี่ยระวังนะอยู่ ใ, ใกล้ๆกองน้ำอย่าปล่อย ต้นไม้ตายเนีะน่ะขายหนะ้านเนี่าปกติมันรัว่ว <c oughs> มันอะไรเราก็ไม่ได้ไปดูกุฏิไหม่กุฏิใหม่นะกุฏิหลังนั้นทําไมมันรั่วไปแไว้แฉะรู้แหละอันนี้เป็นเครื่องใช้สอยของเราเราก็ดูสนใจมันดูอลไรช่วยกันอะไรคือประโยชน์ให้คิดว่าอะไรคือประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ชนชนท่าน ให้ดูแลช่วยดูแลรักษากันเพราะเราก็เช่นเดียวกันนะใครอยู่กุฏินะอะไรไงง่างดูแลรักษาแล้วปัจจัยของหมูมีขึ้นเกิดขึ้นให้ช่วยดูแลกันเพราะเราก็คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งคนที่เอาหูเป็นนาวตาไปได้คนที่เอาหูเป็นเอาตาไปได้และใครจรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบ คือเราอาศัยวัดวัดก็ต <iffe> ้องอาศัยเราวัดอาศัยเราเราอาศัยวัดช่วยดูแลกันอยู่เมื่อกเราอยู่บ้านเรานี่ยแหละมีอะไรเราก็ดูแลไปรักษาไปเพื่อประโยชน์ใช้สอยไม่เพื่อประโยชน์จงรือหอกเพื่อประโยชน์ใช้สอยดู่นัปัดตาทำตา ทำตาที่ต้องหัดทำให้เป็นนะพระใหม่อันไหนไม่เป็นต้องพยายามหัดทาให้เป็นซักผ้าต้องพยายามซักให้เป็นสักผ้ายอมผ้า <c oughs> เยยบผ้าพยายามทำให้เป็นผิดทุบอธิษฐานก็พยายามทาให้เป็นดูศึกษาหมดแล้วแหละดูอยู่ศึกษาคิดเอาทำเอาคิดให้เกิดประโยชน์คิดศึกษา เราอยู่กับการศึกษาอะไรๆที่มันพันหูพันตาเราถือว่าเพื่อศึกษาศึกษาศึกษาถ้าเราไม่เอาคําว่าศึกษาเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยอ่อนอ่อนการกําหนดจดจ่อสอดสองดูแลอะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่รู้เรื่องกลายเป็นเรื่องขัดข้องเบื่อนายําคาอะไรไปทั่วหนดเลยแต่ถ้าเราศึกษาเนี่ยเราสามารถศึกษาได้ทุกขณะจิตของเรา ศึกษาที่จินศึกษาทุกขรรจิตรู้เอามันทำให้พาพาลิกพลิกแพงไปเลยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องปัญญาสติปัญญาเข้ามาข้างในไม่งั้นเราไม่ทันกินเลสเผลอปล่อยมันมาสวมรอยเรากินอยู่เผลอแบบเดียวมันมาสวมรอยแลเอาไปแล้วเอาจิตไปใช้แล้วใครปล่อยเผลอให้มันมาเอาจิตไปใช้บ่อยคนนั้นเนี่ย จะเป็นาธาตุของกิเลสตลอดไป แ, แต่ถ้าใครพยายามสอดส่องดูแลศึกษามันอยู่ก็รู้ว่าอยู่มันไปก็รู้ว่าไปก็<อ>ยังถือว่าเป็นการคยเยื่อกันดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเพื่อ<ม>ความเป็นธรรมธรรมมีอยู่บ้างไม่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนอานๆเข้าต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาเขาจะทำมากมีกำลังขึ้นมันจะเริ่มได้ทีละกิเลสก็จะเริ่มเบาลงเบาลง ดัญญามเริ่มมีมันเริ่มดีมันเริ่มเห็นเริ่มรู้เริ่มเห็นเริ่มตื่นตัวใครยังไม่ตื่นตัวก็คือยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมยังไม่ได้ตื่นตัวไม่ได้ตื่นตัวคือหลับอยู่เนี่ยเมื่อตึ๊บอยู่ในหัวใจนั่นแหละมันไม่ตื่นไม่ตื่นก็ตื่นตัวมันกรตือรือร้นไม่ตื่นก็ตื่นตัวไม่ทันเขาแล้ยไม่ทันเขา ไอ้ที่ไม่ทันเขาเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับไม่ทันกิเลนนั่นแหละกิเลสเอาไปกินหมดเป็นเนื้อเป็นหนังของมันทั้งหมดคนต้องคนกิเลสเอาไปะลุ่งซะหมดแล้วนี้ก็แพ้มันตลอดนะอ่ะไปครับ <c oughs>